จริยธรรมศีลแล้วก็จริยธรรมเมื่อเช้าเนี่ยผมได้พูดเรื่องสมาธิธรรมแต่สําหรับพวกพระของเราให้ใช้ผมจะพูดเรื่องปัญญาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาค็ว่าปัญญาคำนีก้กว้างกวางกบไปหากินเขียดมันก็ใช้ปัญญาของมันนะ <c oughs> ถ้าว่า ง, งูงู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 โดโกงบัตรบางคาใช้เล่เหลี่ยมบั่งบางทีปัญญาค่าคนอื่นบั่งปัญญาหลอกลวงหลอลวงหาทรัพย์สมบัติบั่งมีมากมายปัญญาคำนี้แต่ปัญญาสัมมาทิฏฐิปัญญาอะไรปัญญาสัมมาทิฏฐิที่พระพุทธเจ้าท่านใใช้ปัญญาพิจารณาในการกลองไตรตรองด้วยสมาธิเมื่อจิตที่เป็นสมาธิแล้วจิตที่เนื่องแล้วจิตที่ผ่านความสงบแล้ว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 พอจากนั้นเขามาเจดวันน้ํามันงาหยดนั่นก็ขนขุ่นข้นขึ้นมาต่อมากับน้ํามันงานี่ยก็เป็นสีแต่สีสีเนื้อต่อมากัเป็นก้อนเนื้อเน้มว่าเป็นก้อนเนื้อกัแตกเป็นปัญจสาขาขาสองแขนสองสีสาขาหนึ่งปัญจะไปว่าห้าจากนั้นก็โตขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงสามเดือน ก็รู้สึกแล้วสีนะกระดุกกระเดกไงใครว่าครบอวัยวะขึ้นมาแล้วนี่นี่แหละในกระดุกกระเดกนะั่นคือตัววิญญาณ น, นา ม, มาธรรมเนี่ยเข้าไปยึดแล้วสีนอแต่ละดวงวิญญาณเข้าไปยึดไปยึดร่างนั่นแหละไปยึดร่างที่อยู่ในท้องแม่อนอะจากนั้นก็เข้าเข้าออกออกเข้าบ้างออกบ้างเข้าบ้างออกบ้าง อ, อ่ะใคล้ายๆรักษาละนะสินะพอ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 การกำเนิดเกิดของสัรวสัตว์ทั้งหลายในโลกมีอยู่สามมีอยู่สี่ชนี่ยชลาพุชพชะเกิดในคันในคันก็อย่างมนุษย์ เ, เกิดในคันบวบควายช้างมา้าเกิดในคันชลาพุชชะอันทชาเกิดในไข่ก็คือพวกไก่ไข่ไก่ไข่เป็ดไก่ห่านไขน่นกยุงไข่นกทั้งหลายเนี่ยอันน่อันทชาสังเสทชา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 เป็นตัวตนขึ้นมาอันนั้นก็มี น, นะพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นกําเนิดเกิดสรรพสัตว์ทั้งหลายมีอยู่สี่ชลาพุะชะเกิดในใคันสังเสริะชาเกิดในไข่อันทชาเกิดในไข่สังเสริชะชาเกิดในเท่าในไข่ในไข่โอปะปะเกิดเกิดพุทขึ้ น, นกําเนิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมีอยู่สีสี่อย่างนี่แหละพวกเราเนี่ยเกิดในชลาพุชะ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 อผู้มีทุลีเบาบางหรือว่าอผู้มีกิเลสน้อยหรือว่าผู้ที่มีได้บําเพ็ญทางศีลสมาธิปัญญาหาทางพ้นทุกข์มาแล้วนะเนี่ยพระองค์สอนแต่ถ้าว่าผู้มีปัญญาปัญญายาบมีปัญญาหนาทึบ อ, อยู่อจิตหนาปัญญายับอันนั้นมองไม่เห็นสอนยังไงก็ไม่เห็นเอเป็นว่า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 บำรุงบำเลอขนาดไหนไหนก็เถอะนะพยาจิตระดันะใจนะถึงจะอาหารดีขนาดไหนให้ทานก็เลี้ยงไปเถอะผ้าหนุ่งหมดีขนาดไหนหามาใส่ให้มันนุ่งเถอะยาแก้โรคภัยไข้เจ็บดีขนาดไหนเม็ดกี่หมื่นกี่แสนรักษา เ, เต็มทรงเต็มเชลตีขนาดไหนเอามาใส่เถอะ